ฟังธรรมคำพุท ธ, ธเรื่องการวาสจันเลิดกระเบดีในบรรดาผู้บริโภคก ร, รมเหล่านั้นผู้ใดแสวงหาโภคทรัพย์โดยธรรมโดยไม่เครียดครัดด้วยครั้นแสวงหาโภคทรัพย์โดยธรรมโดยไม่เครียดครัดแล้วก็ทําตนให้เป็นสุขให้อิ่มหนำด้วยแบ่งปันโภคทรัพย์ บำเพ็ญบุญด้วยไม่กำนัดไม่มัวเมาไม่ลุ่มหลงมีปกติเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกบริโภคโภคทรัพย์เหล่านั้นอยู่ด้วยข้าบารมีกามพรโพขีผู้นี้ควรสรรเสริญโดยฐานะทั้งสคือควรสรรเสริญโดยฐานะที่หนึ่งในข้อที่เขา แสวงหาโภคทรัพย์โดยทำโดยไม่เรครียดรัดควรสันเสริญโดยฐานะที่สองในข้อที่เขาทำตนให้เป็นสุขให้อิ่มหนำควรสันเสริญโดยฐานะที่สในข้อที่เขาแบ่งปันโภคทรัพย์บำเพ็ญบุญควรสันเสริญโดยฐานะที่สในข้อที่เขาไม่กำหนัดไม่หมัวเมาไม่ลุ่มหลง มีปกติเห็นโทษมีปัญญาเครื่องสลักออกบริภพโภคโภคทรัพย์เหล่านั้นกระบดีกามรมัโภคีผู้นี้ควรสัรเสริญโดยฐานะทั้งสี่เหล่านี้ในจำนวนผู้บริโภคการมทั้งหลายผู้บริโภคกรรมจำพวกนี้เป็นผู้บริโภคการมชั้นเลิศชั้นประเสริฐชั้นหัวหน้า ชั้นสูงสุดชั้นบวรกว่าการมพโะขี่ทั้งหลายเปรียบเสมือนนมสดเกิดจากแม่โคนมส้มเกิดจากนมสดเนยข้นเกิดจากหนมส้มเนยใสเกิดจากเนยข้นหัวเนยใสเกิดจากเนยใสหัวเนยใสปรากฏว่าเลิศกว่าบรรดารสอันเกิดจากโคทั้งหลายเหล่านั้น ข้อนี้ฉันใดการมะโผขี่ชมพวกนี้ก็ปรากฏมาเลิดกว่าบรรดาการมะโผขี่ทั้งหลายเหล่านั้นฉันนั้นแหลกเรื่องนรกที่ร้ายกาจของมนุษย์ภิสูจ์ทั้งหลายนรกที่ชื่อว่ามหาปริลาหะมีอยู่ก็ในนรกนั้น บุคคลยังเห็นรูปอย่างใดอย่างหนึ่งได้ด้วยตาแต่ได้เห็นรูปที่ไม่น่าปรารถนาอย่างเดียวไม่ได้เห็นรูปที่น่าปรารถนาเลยเห็นร yes> ูปท hmm ี่ไม่น่าใคร่อย่างเดียวไม่เห็นรูปที่น่าใคร่เลยเห็นรูปที่ไม่น่าพอใจอย่างเดียวไม่เห็นรูปที่น่าพอใจเลยในนรกนั้นบุคคลก็ยังได้ฟังเสียงอย่างใดอย่างหนึ่ง Current, ได้ด้วยหูในนรกนั้นบุ Yours, คคลยังรู้สึกกลิ่นได้อย่างใดอย่างหนึ่งได้ด้วยจมูกอย่างลิมรสอย่างใดอย่างหนึ่งได้ด้วยลิ้นยังถูกต้องปวดทพะอย่างใดดังหนึ่งได้ด้วยกายและในนรกนั้นบุคคลยังรู้สึกธรรมรมยังได้อย่างหนึ่งได้ด้วยใจแต่ได้รู้สึกธรรมรมที่ไม่น่าปรารถนาอย่างเดียว ไม่ได้รู้สึกธรรมรมณ์ที่น่าปรารถนาเลยได้รู้สึกธรรมารมที่ไม่น่าใครอย่างเดียวไม่ได้รู้สึกธรรมรมณ์ที่น่าใครเลยได้รู้สึกธรรมารมที่ไม่น่าพอใจอย่างเดียวไม่ได้รู้สึกธรรมารมที่น่าพอใจเลยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความเร่าร้อนนั้นใหญ่หลวงหนอข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ความเร่านอนนั้นใหญ่หลวงนักหนอข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมีอีกไหมพระเจ้าค่าความเร่าร้อนอื่นที่ใหญ่หลวงน่ากลัวกว่าความเร่าร้อนนี้พิสุจ์ทั้งหลายความเร่าร้อนที่ใหญ่หลวงน่ากลัวกว่าความเร่าร้อนนี้นั้นมีอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ความเร่าร้อนที่ใหญ่หลวงกว่าน่ากลัวกว่า กว่าความเล่าร้อนนี้เป็นอย่างไรเล่าพระเจ้าค่ะผิสุทต้งหลายก็สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งไม่รู้ชัดตามที่เป็นจริงว่าทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ว่าเหตุให้เกิดทุกเป็นอย่างนี้อย่างนี้ว่าความดับไม่เหลือของทุกขเป็นอย่างนี้อย่างนี้ว่าข้อปฏิบัติเครื่องทําสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือของทุกขเป็นอย่างนี้อย่างนี้ สมณนะหรือพราหมณ์เหล่านั้นย่อมยินดีในสังขารทั้งหลายอันเป็นไปพร้อมเพื่อการเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรลำพันธ์ความทุกข์กายความทุกข์ใจและความขับแยนใจทั้งหลายสหรับพราหม์เหล่านั้นครั้นยินดียิ่งในสังขารทั้งหลายเช่นนั้นแล้วย่อมปรุงแต่งซึ่งสังขารทั้งหลายอันเป็นไปพร้อมเพื่อการเกิดความแก่ความตาย ความโศกความ ร, ำร่ำไรลำพันธ์ความทุกข์กายความทุกข์ใจและความขับแค้นใจทั้งหลายสำหรับพรามทั้งหลายเหล่านั้นครั Kid ้นปรุงแต่งซึ่งสังขารทั้งหลายเช่นนั้นแล้วย่อมเร่าร้อนเพราะความเ ร, ร่าร้อนด้วยความเกิดบ้างย่อมเร่าร้อนเพราะความเร่าร้อนด้วยความแก่บ้างย่อมเร่าร้อนเพราะความเร่าร้อนด้วยความตายบ้างย่อมเร่าร้อนเพราะความเร่าร้อน แห่งความโศกความร่ํารรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายบ้างเรากล่าวว่าสมณพราหมณ์เหล่านั้นย่อมไม่พ้นจากการเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ํารรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายคือไม่พ้นจากทุกข์นั่นเองดังนี้เรื่อง วาจาของสัตว์บรุษพิกษุตรองหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมประการต่อไปนี้เป็นผู้รู้กันว่าเป็นสัตว์บรุษคือคนดี 4. ประการอย่างไรเล่าคือสัตว์บรุษในกรณีนี้แม้มีใครถามถึงความไม่ดีของบุคคลอื่นก็ไม่เปิดเผยปรากฏ จะกล่าวทำไมเมื่อไม่ถูกใครถามแต่ก็เมื่อถูกใครถามจังหน้าเข้าก็นำปัญหาทำให้หลีกเลี้ยวลดหย่อนลงกล่าวความไม่ดีของผู้อื่นอย่างไม่พิสดารเต็มที่ข้อนี้พึงรู้กันเถิดว่าคนคนนี้เป็นสัตบุุษคือคนดีวิสณตรหลายสัตบุุษอย่างอื่นยังมีอีกคือแม้ไม่ถูกใครถาม ถึงความดีของบุคคลอื่นก็นำมาเปิดเผยให้ปรากฏจะต้องกล่าวทำไมเมื่อถูกใครถามก็เมื่อถูกถามถึงความดีของบุคคลอื่นในรายละเอียดเข้าก็ไม่นำเอาปัญหาไปให้หลีกเลี้ยวลดหย่อนกล่าวความดีของผู้อื่นอย่างพิสดารเต็มที่ข้อนี้พึงรู้เถิดว่าคนคนนี้เป็นสัตว์บรุษคือคนดีปิศาทหลาย สัตบุตรอย่างอื่นยังมีอีกคือแม้ไม่มีใครถามถึงความไม่ดีของตนก็ยังนำมาเปิดเผยให้ปรากฏจะต้องกล่าวทําไมเมื่อถูกถามก็เมื่อถูกถามถึงความไม่ดีของตนในรายละเอียดเข้าก็ไม่นำปัญหาไปทำให้หลีกเลี้ยวลดหย่อนแต่กล่าวความไม่ดีของตนเองโดยพิสดารเต็มที่ข้อนี้พึงรู้เถิดว่า คนคนนี้เป็นสัตว์บรุษคือคนดีภิกษุทั้งหลายสัตว์บรุษอย่างอื่นยังมีอีกคือแม้มีใครถามถึงความดีของตนก็ไม่เปิดเผยให้ปรากฏจะต้องกล่าวทำไมเมื่อไม่ถูกใครถามก็เมื่อถูกใครถามจางหน้าเข้าก็นำเอาปัญหาไปทำให้ลดหย่อนหลีกเลี้ยวเสียกล่าวความดีของตน โดยไม่พิสดารเต็มที่ข้อนี้พึงรู้เถิดว่าคนคนนี้เป็นสัตบุุษคือคนดีบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการเหล่านี้แหละเป็นที่รู้กันว่าเป็นสัตบุุษคือคนดีเรื่องวาจาของอสัตบุตรพิสูจ์ทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการต่อไปนี้ เป็นที่รู้กันบ้าเป็นอสัตบุรุษคือคนไม่ดีสี่ประการอย่างไรเล่าภิกิตทั้งหลายอสัตบุรุษในกรณีนี้แม้ไม่มีใครถามถึงความไม่ดีของบุคคลอื่นก็นามาเปิดเผยให้ปรากฏจะต้องกล่าวทำไมเมื่อถูกใครถามก็เมื่อถูกใครถามถึงความไม่ดีของบุคคลอื่นโดยรายละเอียดเข้า ก็เปิดเผยอย่างพิสดารเต็มที่ไม่มีการลดหย่อนหลีกเลี้ยวข้อนี้พึงรู้เถิดว่าคนคนนี้เป็นอาศัตบุรุษคือคนไม่ดีผูกสื่น ง, งหลายอาศัตบุรุษอย่างอื่นยังมีอีกคือแม้ถูกใครถามถึงอยู่ความดีของบุคคลอื่นก็ไม่เปิดเผยให้ปรากฏจะต้องกล่าวทาไมเมื่อไม่ถูกใครถามก็เมื่อถูกใครถามจางหน้าเข้า ก็นำเอาปัญหาเป็นลดหย่อนไข้เขวกล่าวความดีของผู้อื่นอย่างไม่เต็มที่ข้อนี้พึงรู้เถิดว่าคนคนนี้เป็นคนไม่ดีคืออาศัตวบุรุษผิกษุต้งหลายอาศัตบุรุษอย่างอื่นยังมีอีกคือแม้ถูกใครถามถึงความไม่ดีของตนก็ปกปิดไม่เปิดเผยให้ปรากฏจะต้องกล่าวทําไมเมื่อไม่ถูกใครถาม ก็เมื่อถูกใครถามถึงความไม่ดีของตนจังหน้าเข้าก็นำาเอาปัญหาไปลดหย่อนทำให้ลดหย่อนค่วยเขวกลาวความไม่ดีของตนอย่างไม่พิสดารเต็มที่ข้อนี้พึงรู้เถิดว่าคนคนนี้เป็นอสัตบุุบษคือคนไม่ดีปิษุตองหลายอสัตบุุบษอย่างอื่นยังมีอีกคือแม้ไม่มีใครถามถึงความดีของตนก็นามาโอ้อวด เปิดเผยให้ปรากฏจะต้องกล่าวทําไมเมื่อถูกใครถามก็เมื่อถูกใครถามถึงความดีของตนในรายละเอียดเข้าก็กล่าวความดีของตนอย่างพิสดารเต็มที่ข้อนี้พึงรู้เถิดว่าคนคนนี้เป็นอสัตบุรุษคือคนไม่ดีบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการเหล่านี้แหละเป็นที่รู้กันว่าเป็นอสัตบุรุษ เรื่องวิธีปฏิบัติทางจิตเมื่อถูกติเตียนหรือถูกทำร้ายร่างกายได้ตรัสกับภิกษุชื่อพักคุณะดังนี้ว่าพักคุณะถ้ามีใครติเตียนเธอต่อหน้าในกรณีเช่นนั้นเธอพึงละฉันทะและวิตกชนิดที่เป็นวิสัยแห่งชาบ้านเสียในกรณีเช่นนั้น เธอพึงทำความสำเนียงใจอย่างนี้ว่าจิตของเราจะไม่แปรปรวนเราจะไม่กล่าววาจารเป็นบาปเราจะเป็นผู้มีจิตเอ็นดูเกื้อกูลมีจิตประกอบด้วยเมตตาไม่มีโทสะในภายในอย่างนี้ภกุนะเธอพึงสำเนียกใจอย่างนี้และถ้ามีใครประหารเธอด้วยฝ่ามือด้วยก้อนดินหรือด้วยท่านไม้หรือด้วยสัตราวุธ แม้กรณีเช่นนั้นเธอพึงละฉันทะและวิตกชนิดที่เป็นวิสัยแห่งชาวบ้านเสียในกรณีเช่นนั้นเธอพึงทําความสำเนียกใจอย่างนี้ว่าจิตของเราจะไม่แปรปรวนเราจะไม่กล่าววาจานเป็นบาปเราจะเป็นผู้มีจิตอินดูเพื่อกูลมีจิตประกอบด้วยเมตตาไม่มีโทสะในภายในปะคุณ เธพึ่งสำเนีกใจอย่างนี้เรื่องการวางจิตเมื่อถูกกล่าวหาปิศาจหลายทางแห่งถ้อยคำที่บุคคลอื่นจะพึงกล่าวหาเถอห้าอย่างเหล่านี้มีอยู่คือกล่าวโดยการหรือโดยไม่ใช่การกล่าวโดยเรื่องจริงหรือโดยไม่ใช่เรื่องจริง กล่าวโดยอ่อนหวานหรือโดยหยาบคายกล่าวโดยเรื่องมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์กล่าวด้วยมีจิตเมตตาหรือมีโทสะในภายในพิสูจน์ตรงหลายเมื่อเขากล่าวอยู่อย่างนั้นในกรณี น, นั้นนั้นเธอพึงทําการสำเหนียกใจอย่างนี้ว่าจิตของเราจะไม่แปรปรวนเราจะไม่กล่าววาจาอันเป็นบาป เราจะเป็นผู้มีจิตเอ็นดูเกื้อกูลมีจิตประกอบด้วยเมตตาไม่มีโทสะในภายในอยู่จะมีจิตประกอบพร้อมด้วยเมตตาแผ่ไปยังบุคคล น, นั้นอยู่และจะมีจิตประกอบพร้อมด้วยเมตตาอันเป็นจิตไพบูรย์ใหญ่หลวงไม่มีเวรไม่มีประมาณไม่มีพยาบาทแผ่ไปสู่โลกถึงที่สุดทุกทิศทางโดยมีบุคคล น, นั้นเป็นอารมณ์ดังนี้ พิจูตองหลายผู้เตยทั้งหลายพึงสเสนียกใจอย่างนี้ถ้ามีโจรผู้คอยช่องจะพึงเลื่อยอวัยวะน้อยใหญ่ของใครด้วยเรื่อยที่มีด้ามสองข้างผู้ใดมีใจประทุษร้ายในโจรนั้นผู้นั้นชื่อว่าไม่ทำตามคําสอนของเราเพราะเหตุที่มีใจประทุษร้ายต่อโจรนั้นในกรณีนั้ น, นถ้าพึงทำการสำเนียกใจอย่างนี้ว่า จิตของเราจะไม่แปรพรวนเราจะไม่กล่าววาจานเป็นบาปเราจะเป็นผู้มีจิตเอ็นดูเกื้อกูลมีจิตประกอบด้วยเมตตาไม่มีโทสะในภายในอยู่จะมีจิตประกอบพร้อมไปด้วยเมตตาแพร่ไปยังบุคคล น, นั้นอยู่และจะมีจิตประกอบพร้อมด้วยเมตตาอันเป็นจิตไพยบูรใหญ่หลวงไม่มีเวรไม่มีประมาณไม่มีพยาบาทแพร่ไปสู่โลกถึงที่สุดทุกทิศทาง โดยมีบุคคล น, นั้นเป็นอารมณ์ดังนี้เธอทั้งหลายพึงทําการเสำเนิกใจอย่างนี้พี่สาวทั้งหลายเธอเพึงกระทำในใจถึงโอวาทอันเปรียบด้วยเลื่อยนี้อยู่เนื่งๆเถิด เ, เมื่อเธอทําในใจถึงโอวาทนั้นอยู่เธอจะได้เห็นช่องทางแห่งการกล่าวหาเล็กหรือใหญ่ที่เธออดกลั้นไม่ได้อยู่อีกอย่างนั้นหรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้อนั้นหาไม่ได้พระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายปรหตุ น, นั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายจงกระทำในใจถึงโอวาทอันเปรียบด้วยเลื่อยนี้อยู่เนืองๆเถิดนั่นจะเป็นประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่เธอทั้งหลายตลอดกาลนานเรื่องวาจาของสภัายใหม่ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนหญิงสะพ้ายใหม่อันเขาเพิ่งนำมาชั่วคืนชั่ววันตลอดเวลาเท่านั้นก็ยังมีความละอายและความกลัวที่ดารงไว้อย่างเข้มแข็งในแม่ผัวบ้างในพ่อผัวบ้างในสามีบ้างแม้ที่สุดแต่ในาธาตุกรรมกรคนใช้ครั้นล่วงไปโดยสมัยอื่นเพราะอาศัยความคุ้นเคยกันหญิงสะายนั้น ก็ตวาดแม่ผัวบ้างพ่อผัวบ้างแม้แต่กับสามีว่าหลีกไปหลีกไปพวกแกจะรู้อะไรดังนี้ภิกษุทหลายข้อนี้ก็ฉะ น, นั้นภิกษุบางรูปในธรรมะวิ น, นัยนี้ออกบวชจากเรือนเป็นผู้ไม่มีเรือนได้ชั่วคืนชั่ววันตลอดเวลาเพียงเท่านั้นหิหริและอุตปะของเธอนั้นก็ยังดำรงอยู่อย่างเข้มแข็งในภิกษุ ิอุบาสกอุบาสิกาแม้ที่สุดในคนวัดและสามเณรครั้นล่วงไปโดยสมัยอื่นเพราะอาศัยความคุ้นเคยกันเธอก็ตาวาดอาจารย์บ้างอุปชาบ้างว่าหีีไปหลีไ ป, ไปพวกท่านจะรู้อะไรดังนี้ภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุ น, นั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายพึงทำการศึกษาฝึกฝนอย่างนี้ว่าเราจะอยู่อย่างมีจิต เสมอกันกันกบหญิงสไปใหม่ผู้มาแล้วไม่นานอย่างนี้เรื่องวาจาที่ไม่มีโทษพิสุท้งหลายวาจาอันประกอบด้วยองค์หประการต่อไปนี้เป็นวาจาสุภาษิตไม่เป็นวาจาทุพภาษิตเป็นวาจาไม่มีโทษและวินยูชนไม่ติเตียน องประกอบ5้าอย่างอย่างไรเล่า5อย่างคือกล่าวแล้วโดยควรแก่เวลากล่าวแล้วตามสัจจริงกล่าวแล้วอย่างอ่อนหวานกล่าวแล้วอย่างประกอบด้วยประโยชน์กล่าวแล้วด้วยเมตตาจิตวาจาร์ประกอบด้วยองค์หประการเหล่านี้แหละเป็นวาจาสุภาษิตไม่เป็นวาจาทุพภาษิตเป็นวาจาไม่มีโทษและวินยูชนไม่ติดเตียน เรื่องคู่บุเพันิวาสพิสูจน์ตรงหลายถ้าภรรยาและสามีทั้งสองจะพึงหวังพบกันและกันตั้งในปัจจุบันและในสำเริยภพบทั้งสองทีเดียวพึงเป็นผู้มีศรัทธาเสมอกันมีศีลเสมอกันมีจาคะเสมอกันมีปัญญาเสมอกันภรรยาและสามีทั้งสองนั้น ย่อมได้พบกันและกันทั้งในปัจจุบันทั้งในสัมไาระยาภพภรรยาและสามีทั้งสองนั้นเป็นผู้มีศรัทธารู้ความประสงค์ของผู้ขอมีความสารวมเป็นอยู่โดยธรรมเจรจาคำที่น่ารักแก่กันและกันย่อมมีความเจริญรุ่งเรืองมากมีความผาสุกทั้งสองฝ่ายมีศีลเสมอกันรักใคร่กันมาก ไม่มีใจร้ายต่อกันประพฤติทธรรมในโลกนี้แล้วทั้งสองเป็นผู้มีศีลและข้อวัดเสมอกันย่อมเป็นผู้สวยการารมณ์เพลิดเพลินบันเทิงใจอยู่ในเทวโลกเรื่องภรยาเจ็ดจำพวกครั้งนั้นในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงไปบินบาทถือจีบอลและบาท เสด็จไปยังนิเวศของท่านอนาตะบินทิกาเศรษฐีประทับนั่งอยู่บนอาศนะที่ปู่ลาดแล้วก็ในสมัยนั้นมนุษย์ทั้งหลายในเขตบ้านของท่านอนาตะบินทิกเศรษฐีทรงเสียงอื้อึอิท่านอนาตบินทิกเศรษฐีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งอยู่ณที่ควรข้างหนึ่งครันแล้วพระผู้มีพระภาคได้ถามว่า เหตุใดหนอมนุษย์ทั้งหลายในเขตบ้านของท่านจึงส่งเสียงอื้ออึงเหมือนชาวประมงแย่งปลากันในที่นั้นอนาถา บ, บินทิกาเศรษฐีได้กลัาวถูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนางสุชาดาคนนี้ข้าพระองค์นำมาจากตระกูลมั่งคัง่งมาเป็นสะพายในเรือนนางไม่เชื่อถือแม่ผัวพ่อผัวสามีแม้แต่พระผู้มีพระภาค นาก็ไม่สักการะครบนับถือบูชาพระเจ้าลําดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเรียกนางสุชาดาหญิงสะใภ้ในเรือนให้เข้าไปเฝ้าถึงที่ประทับแล้วได้ตรัสกับนางสุชาดาอย่างนี้ว่านางสุชาดาภริยาของบุคบุตรเจ็ดจำพวกเหล่านี้มีอยู่เจ็ดจำพวกคือหนึ่ง ภรยาเสมอด้วยเพชฌฆาตภรรยาเสมอด้วยโจรภรรยาเสมอด้วยนายภรยาเสมอด้วยแม่ภรยาเสมอด้วยพี่สาวน้องสาวภรยาเสมอด้วยเพื่อนภรยาเสมอด้วยนางฐาสีนางสุชดาภรรยาของบุตรเจ็ดจำพวกนี้แลเธอเป็นจำพวกไหนข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันยังไม่รู้ทั่วถึง ความแห่งพระรํารดัตที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วโดยย่อนี้ขอประทานพระบุรอกาสขอพระองค์โปรดแสดงธรรมแก่ห ม, ม่อมฉันโดยที่ห ม, ม่อมฉันจะพึงรู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งพระรํารดัตโดยย่อ้นโดยรายละเอียดเถิดพระชะคาานางสุชดาถ้าอย่างนั้นเธอจงฟังจงทำในใจให้ดีเราจะกล่าวนางสุชดา ภรยาผู้มีจิตประทุษร้ายไม่อนุเคราะห์ด้วยประโยชน์เกื้อกูลยินดีในชายอื่นดูหมิ่นสามีของตนเป็นผู้อันเขาซื้อมาด้วยทรัพย์พยายามจากฆ่าผัวภรยาของบุุษเห็นปานนี้เรียกว่าภรยาเสมอด้วยเพชฌฆาตสามีของหญิงผู้ประกอบด้วยศิลปรกรรมพานิชยกรรมและกสิกรรมได้ทรัพย์ใดมา ภรยาปรารถนาจะยักยอกทรัพย์แม้มีอยู่น้อยนั้นเสียภรยาของบุุษเห็นป่านนี้เรียกว่าภรยาเสมอด้วยโจร 3. าภรยาที่ไม่สนใจการงานเกียจคร้านกิ่นมากปากร้ายปากกล้าร้ายกาดกล่าวคำหยาบข่มขีผัวผู้ขยันขันแข็งภรยาของบุคคลเห็นป่านนี้ เรียกว่าภรยาเสมอด้วยนาย 4. ภรยาใดอนุเคราะห์ด้วยประโยชน์เกื้อกูลทุกเมื่อตามรักษาสามีเหมือนบารดารักษาบุตรรักษาทรัพย์ที่สามีหาได้ไว้ภรยาของบุุษเห็นป่านนี้เรียกว่าภรยาเสมอด้วยมารดา 5. ภริยาที่เป็นเหมือนพี่สาวน้องสาว มีความเคารพในสามีของตนเป็นคนละอายบาปเป็นไปตามอำนาจสามีภริยาของบุคคลเห็นป่านนี้ชื่อว่าภริยาเสมือนด้วยพี่สาวน้องสาว 6. ภรยาใดในโลกนี้เห็นสามีแล้วชื่นชมยินดีเหมือนเพื่อนผู้จากไปนานแล้วกลับมาเป็นหญิงมีศีลมีข้อวัดปฏิบัติสามีภริยาของบุคคลเห็นป่า น, นี้ เรียกว่าภรยาเสมอด้วยเพื่อน 7. จรดภรยาใดสามีเคี่ยนตีกูตะอคอกก็ไม่โกรธไม่คิดพิโรธโกรธตอบสามีอดทนได้เป็นไปตามอำนาจสามีภรยาของบุคคลเห็นป่านนี้เรียกว่าภรยาเสมอด้วยนางตาสีภรยาที่เรียกว่าภรยาเหมือนเปชชาตภรยาเหมือนโจร และภรยาที่เสมอด้วยนายภรยาทั้งสามจำพวกนี้ล้วนแต่เป็นคนทุศีลหยาบช้าไม่เอื้อเฟื้อเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงนรกส่วนภรยาที่เสมอด้วยมารดาเสมอด้วยพี่สาวน้องสาวเสมอด้วยเพื่อนและเสมอด้วยทาสีภรยาทั้งสี่จำพวกนั้นเพราะตั้งอยู่ในศีลถ น, นอมรักไว้ยั่งยืนเมื่อตายไป ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์นางสุชาดาภรยาของบุรุษเจ็ดจำพวกนี้แหลเธอเป็นภรยาจำพวกไหนในเจ็ดจำพวกนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอพระผู้มีพระภาคโปรดจงจำหม่อมฉันว่าเป็นภรยาของสามีผู้เสมอด้วยทาสีเถิดพระชจ้าาฟังธรรมคำพุทธะ